บรรดาท่านเพื่อนใสถียเพื่อนเสถีารธมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจรณะคือความระพฤตประจำ มาพูดกำบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับเจรณะสิบห้านี่ถ้าหากว่าท่านหังไหล มีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสัมรายาภพก็ดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย ในเวลาเพื่อนเรวัดาเพื่อนมีสูตรสมณเนทั้งหลายจงสังวนระวังข้อวัดปฏิบัติในจารณะสิบห้านี่ครบถว้วนเมืขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจารณะที่ห้าสิบห้านี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ ถ้าบเอิญท่านพูนไ ด, ดบอกว่าจาไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตายกระทูมีหูเหมือนหูกะทะเพราะตายกระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยิน นี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบแต่ว่าคำสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถือว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นก็รับฟังมาแล้วเมื่อรู้แล้วก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้ จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําเรียกว่าไม่มีคําให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คําว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสําหรับวันนี้ก็จะขอพูดเจรณะข้อที่สิบเจรณะข้อที่สิบมีคําว่าสติแปลว่าระลึกได้ นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คําว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริสิณแล้วสิ่งของเรามีกี่สิขาบท จำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือธรรมะะวางในอินทรีย์ในกระาหูจมูกลิ้นกายใจตายเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูได้ฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรลูกรูปดีหรือลูรูปชั่ว จะหมูกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหร้กลิ่นชั่วเราก็ช่างปล่อยมันไปลิ้งกระทบรสไม่ติดในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอแล้วก็โฟชนเน่ไว้ตอนอยู่ตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่ตะกละแต่กลามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินย่างงั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาพุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตาภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้วนทีไม่กินเพื่อความข่องใสไม่กินเพื่ อ, อยังกินเลสให้กำเริบและเราก็นึกได้อยู่ว่าเป็นชายคาลิยาในโยก เราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วมันก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทางหูทางตาจมกูกลิ้นกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิต แล ว, ว่าผู้ตื่นอยู่ใดยการระมัดระวังความชั่วไม่เกิดและเราก็ระลึกอยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใดที่เป็นคำสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตาม และเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีเฮลิอายความชั่วเ ร, เราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตปะเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้ญญาเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจํามากและปฏิบัติตามตามที่ดีฟังไว้ด้วย ฟังแล้วก็จาได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจาไม่ได้ที่นี่ไม่มีคาว่าจาไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยิงจะบอกก็ไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้ว คือว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ว่าผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทาผิดเจะทำถูกก็ต้องถือว่าต้องมีโทษได้มีคุณตามนั้นแล้วก็จำไว้ได้ ล, ลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียนคือละความชั่วเพียนทําลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียนสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคําว่าสติ เราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไร้สติถ้าไร้สติแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยบาลบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีๆไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสติตัวสำคัญนั่นก็คือจอะต้องมีความรู้สึกว่าสกายทิฏฐิอาตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติด อ, อกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น เราถือเสมือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัชยชัวยช่วคราวเท่า น, นั้นสองวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคําสั่งแนละคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรอยู่เสมอ สามสีรับประตาปรามาต์เราจะรักษาสินให้ครบถ้วนไม่ลูกลำสินต้องระวังให้ดีนะมีเป็นกฎในส น, นักของเราด้วยแล้วเป็นคำแนะนำในใไม่ให้เรียกว่าเป็นความระพฤติพุทธเจ้าบอกต้องพฤตระพฤตและเราจะต้องนึกไว้เสมอว่าการมชันทะเป็นภัยสำหรับเรา เราพยายามหาทางทำลายการมมชันทะให้วินาศไปจากจิตสำหรับห้าเราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งการลงของจิตเรื่มหน้าความโกรธความย่ำบาดให้สิ้นไปหกเราไม่จะหลงไม่หลงไหลไฟฝันติดอยู่เฉพาะรูปอรูปฌานเจด็ดเราไม่จะไม่ติดอยู่เฉพาะอรูปอรูปฌาน ตัวความมาัทั้งรูปประชาญและรูปประชานก็ดีเราถือว่าเป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้นแล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือ ต, วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะจะลืมไม่ได้นะ โอทจะเราจะไม่ทำอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านทำจิตตรงเฉพาะพริพานอาวิชชาเราจะทำลายความโง่เคือ่อวิชาอวิชชาโดยมีความเข้าใจในอริย ส, สัจสีและก็ทำจิตให้เข้าถึงอริยสัจสีอย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพโยคาวจรเราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานนะปะุถุชนคนที่หนานแน่นเป็นกินเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันหนามากก็เอาฝานถากถ้ามันหนาน้อยก็อามีถากถ้ามันบางมากก็อาตะไบผูบางลงไปมากกว่านั้นใช้กระดาษทรายผู ถ้าบางู่ทั้งไม่เหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หายนี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่สิบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาของพิเจรณาอารมณ์จิต ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเรายังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่ายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นเรือเปล่าถ้าอารมณ์อย่างนี้มีอยู่ก็สแสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมณ์ใจสูง ถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาห่มมาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัต์อันเป็นธงชัยของพระั์ของพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเราเลวกว่าสัตว์ปรชานประเภทเลวเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่เอาผ้าเหลืองไปห่มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวก็ตัวให้ดี กจจบไม่มีก็ไปดูน้าใสๆชมโมกดวงเงาว่าสภาวะรูปร่างของเราไม่แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนช่วบ้านเขาหรือปล่าปัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาวัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา เมือว่ากันด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราและวัญญาจะพิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาหรือเปล่าถ้าสงสัยใช้วัญญาแก้ให้ชัด ว่าประทำคำส่ง ส, ง, สส ง, สสสงสอนนะิองค์สมเด็จพระสงนสรศวร์ที่สอนนันมันจริงหรือไม่จริงถ้าผูใ้ใดเจ้าโง่หรือว่าเราโง่ใช้ปัญญานะจะใช้สัญญาแล้วปัญญาก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสี่ขาหมดสองร้อยยี่ิบเจ็ดรวมทงอพิสมาจารย์ด้วยเป็นสามร้อยเศษ สมนนเองก็มีสินสิบสิขาบทสิบแล้วมีแล้วก็มีเซกีวัตรเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสิขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็มีสินห้ามีสินแปดตามอัจฉิยาสัยที่มึงทำได้ใช้ปัญญาใไขคนพิจารณาสิ่งของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันปล้อยมันขาดทะลุอย่าให้บกร่อง ถ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกจะมารูปเวไรูปรูปเสียงกินรสและสัมผัสเอาร่างกายคนก็เลยแบ่นคนค น, คนดีใ ส, ส่คนดีวัตถุคนดีมัน่นสุขโปรภุสา์ ให้พิจรารณาในกายกตานุสติและอสุภกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนแสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอะไรเย็นโยงคงทนตร ง, งไหนมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรัก แล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่งที่ปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นพ่ออะไรจี่ไม่พอใจในบุคคลเองที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดคาดมัดใยเขามัรใยเขาเพราะเรามันเหลว ถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขาใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักดีประพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านินทาประ ส, งสางานินทาดาสรรเสริญเรื่องของธรรมดาของโลกเขาสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเข า, านินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูด ดูแตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถูกพนางมังคนยาจ้างคุณดา่าไปบินอบาตเขก็ตามบิปดา่าไปเทศที่ไหนก็ตามปิปดา่าไปอยู่คักฟอนที่ไหนก็ตามไปดา่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสักเพี้ยน ต่อมาท่านสันชัยปรีภาชกท่านก็นั่งด่านั่งดา่งดาเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พระพุทธจเจ้าสาบด้วยพระพุทธจเจ้าก็ไม่ได้โศนหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้แก่สุพิยะบรีภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจา้าตลอดคืนอย่างรุนพระพุทธจเจ้าก็ไม่ได้โศนหนักใจรุ่งก็สรงเฉย ไม่เดียดร้อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ดีเส้นแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรณฑีตแก้วเอ้เรื่องดีใครเขาจะทำดีเขาจะทำชั่ ว, วจะไปนั่งโกรธเขาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็เสียงแรง ว, ว่าใจของเรามันยังเลวมันยังมีกิเลส การที่เขาทำมาดี่เพูดมาจึงเป็นไม่ถูกใจจึงโกรธไม่ความโกรธมันตัวกินเลยคืออรมของความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียด้วยํานาจคมีหารสีและสกายยทิฐีรวมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปประชาญและรูปประชาน ว่ารูปฌานและอรูปปฌานแนวสอนในกาลนี้เป็นกําลังของจิตเหยียดดึงปัญญาเป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหารทหารกิเลสให้เป็นสมุทเฉียดประหารเท่านั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าการที่เราทิ้ตัวที้ตนที่เราที่เขาที่พวกที้งป้องที่หมูที่งคณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเรา เสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบเปรียบเทียบให้เป็นการเครื่องแข่งกันเลือกทัเลอก ว, ว่าถ่อมเกินไปอะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่เหมือนกันป่วยเหมือนกันตายเหมือนกันรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบาย จะเสมอม า, อาเสมอจะดีกว่าจะสูงตายาจความตํากว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรีของท่านอ่านี้พออุตจาัจะใช้ปัญญาข้าควบคุมกาลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชาใชารรา้ปัญญาข้าจําแนกแจกลงไปว่าอาวิชชาตัวเกาะ ก็ในอารมณ์ที่เป็นอนุสัยยังมีความลหลงไหลไปฝันทอดแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นนาคามีเราก็มีความสบายไม่ควรจะเจริยานมากเกินไปให้มันเหนยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทยังไม่ใส่กิจ เราก็จะต้องทำต่อไปในไหนเมื่อเวลามันมีก็ทำลายให้มันวินาศไปให้มันหมดกิเลสเสียขึ้นชือวกิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในกิจปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิกราว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจสี่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากเราจะตัดตัณหาความทะยานอยากได้กบเพราะอาศัยหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีอารมณ์สมาธิตั้งมัน สามมีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขั น, นิญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตใจที่ระวางขันห้าเส้นได้เวลาเขชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเหมือนนั้นจัดว่าเป็นพระอริยาจาเจ้าเบื้องสูงคือพระอรหรันต์ นี่เราว่ากันถึงบัญญาและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว่าข้อที่ดิบสองว่าปฐมฌานปฐมฌานนี้เป็นฌานที่หนึ่งที่บรรดาพวกเราเราคุตบริษัท ต, ต้องทำไม่ได้เพราะเป็นฌานโลกีในการเดินสงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก เราใช้คำภาวนาและพิจารณาในทั้นห้าคนดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือว่าจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกเข า, เขาก็คนดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกตินี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เมื่อว่างจากจิตอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกก็เป็นอัตโนมัติดูลมเข้าลมออกรือพวนาว่าพุโทโธธรรมโสังขวลก็ช่งางจะพิจารณายังไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจงว่าทั่งอารมณ์จิตนี้แม้จะยินเสียงภายนอ ก, กนมาจิตก็ไม่รำคาญ สามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สําหรับปฐมฌานนี้มาทําได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆอย่าได้ครึ่งครึ่งกลางกลางแต่จิตก่อนที่จะเข้าปฐมถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงนี้เพราะผ่านปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่าย เพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกับกรอกมันมีสภาพดินดน้นรนมันมีสภาพฟูงซ่านเป็นปกติการรักษาลมนในระยะต้นที่จะทำจิตให้ถึงถึงปฐมฌานรู้สึกว่าจะลำบากคลุกคลาดทุกชนิดบางทีวันนี้ส่งจิตดีวันนี้ส่งไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่ควรจะดีแต่จิตเสียหัะวันลูกงข้ คิดว่าวันนี้จะว่ากัให้เต็มที่กี่กับเผื่อมไปกับกัปตันขรัยเป็นอันว่าอารมใจและการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบายใหบริการหนึ่งอารมณ์จิตที่ก้าวข้อไปวัเนเมียกห้าหนึ่งขนฟองสีย้อเกล่าว สองร่างกายน้ำตาไหลสามร่างกายกโยกครงสี่ตัวสั่นและตัวลอยห้าเมฆกรทราบสาั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างขวงมันอย่าไปสนใจการสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงบัตมัญชานเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไปตามอธัธยาศัยเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของร่างกายเราต้องการอย่างเดียวคืออรมใจระสุขนี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คือว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิจ พอจิตมีอารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาพเพื่ภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีวาบลงมาอาการอย่างนี้ปรากฏเพืงอทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกําลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานมีอาการว่าบคล้ายกับตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทำจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ยาวๆใจ้ายใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆคล้ายๆกับเกี่ยนทหารถ้าสองสามครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏท้าวบรรดาสาวกององสมเด็จพระอรมณสุขตร การแนะนำก่อนการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปข้าวัดาท่านหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคําแนะนําเมื่อในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปแต่พอเวลานี้